ที่เรามีบุญบุญบันดาลให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากทุกภัยในวัะทตตรงสารนี้ใครไม่ภากเพียรพยายามคนนั้นกอพ้นทุกไปไม่ได้เอาใครอยากจมอยู่ในทุกนี้ก็ให้สนุกนอนสนุกกินไป ใครเบื่อทุกข์ในวัฏะสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจลงไปมันก็มีสองทางเท่านี้แหละถ้าใครอยากพบเกวียนอยู่ในโลกนี้ก็เอาเกียรคลานไปมันก็มีสองทางเท่านี้เองเนี่ย อ, อุปมาเหมือนอย่างลูกนก ลูกนกนี่แม่มันกอกแล้วมันแตกไข่ออกมาเป็นตัวธรรมดาลูกนกไม่ใช่หอกมันจะแข็งแรงเสมอกันหมดบางตัวก็แข็งแรงกลัวบางตัวก็ยังอ่อนแออยู่ตัวใดมันแข็งแรงก่อนมันมีปีกมีขน ขามันแข็งมันก็บินไปก่อนตัวใดปีกอ่อนปีกยังไม่ปงขนยังไม่งอกขาก็ยังอ่อนอยู่มันก็ยังบินไปไม่ได้จะต้องอาศัยมารดาเลี้ยงไปก่อนจนกว่าจะมีปีกแข็งขาแข็ง จะ ง, งอยปากแข็งหากินเองได้ก็จึงไปหากินโดยลำพังอันนี้ฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนไปก่อนเพราะอินทรียังอ่อนโย อินทรียังไม่แก่กล้าพอที่จะพึ่งตัวเองได้ทุกคนต้องให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเือเราก็รู้ข้อปฏิบัติเหมือนกันเราก็มีความสามารถเราไม่ต้องพึ่งใครผู้ใดคิดอย่างนั้นเดวแสดงว่าชิงสุกกรหามโบราณท่านว่า ตอนยังไม่มีความรู้ความฉลาดอันเพียงพอแล้วก็จะปรีกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังอย่างนี้มันไม่สมเหตุผลว่าชีวิตของคนนั้นมันจ ะ, จะเจริญไปได้ในศิลนในธรรมในบุญคุศนส่วนมากก็มีตั้งแต่ เื่อมไปนั่นแหละเท่าที่เห็นมายิ่งคนสมัยทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งวาสนาบารมีมันน้อยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยพยุงช่วยชักช่วยจูง จะจึงพอดำเนินไปได้ทุกคนมันต้องคิดคำนึงถึงบุญบา ร, รมีของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใดต้องรู้ตัวเมื่อรู้ว่าบุญบา ร, รมีของตนยังน้อยอยู่อย่างนี้แล้วพอต้องเอาสิพยายามสั่งสมให้มันมากๆเข้าไป อันมันจะมากได้ก็เพราะอาศัยการกระทํานี่แหละบุญบา ร, รมีทั้งหลายนั่นนะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะให้อินทรบารมีมันแก่กล้าขึ้นเองนั้นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งอย่างมันเกิดจากการกระทําบุญก็ดีบาปก็ดีตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษใดๆก็ดีมันย่อมเกิดขึ้นจากการกระทําโดยแท้ หน้ามีอยู่แต่ไม่ลงมือทํามันก็ไม่ได้เข้าอย่างนั้นเนี่ยสวนมีอยู่ไม่ลงมือปลูกผลหมากลากไม้ลงไปมันก็ไม่ได้รับผลอือันนี้ฉันใดกายวาจาใจมีอยู่แต่ไม่ปลูกศรัทธาความเชื่อลงในใจ เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่นะไม่ปลูกกงให้แน่นหนาในจิตใจละเมื่อความเชื่อมันมีน้อยหรือไม่มีความเพียรพยายามที่จะสั่งสมกุศลควณงามความดีมันก็มีไม่ไดุ้คนจะภาคเพียรพยายามไปได้นั่นก็เพราะอาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นกำลังอนะ่ะ เชื่อว่าการทำอย่างนี้นะมันจะเป็นทางพ้นทุกจะเป็นหนทางไปสู่ความสุขอันเป็นแกนสารแน่นอนทีเดียวเชื่อในใจอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียนแต่ววันนี้นะในขณะที่ภาคเพียนพยายามอยู่นั้นก็เป็นผู้มีสติถ้าเพียนไปโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความภาคเพียนนะั้นมันก็ผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นเนะีะ บางทีอาจจะผิดมากกว่าถูกก็ได้เพราะว่ามันมันขาดสติสัมปชัญญะแล้วส่วนมากก็มักจะมีความคิดความเห็นไปผิดทางไปดังนั้นแหละเมื่อมีความเพียรพยายามไปก็ต้องมีสติกำกับด้วยสติปลว่วความระลึกได้ คือระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาใจนี่เอาสติเข้ามาปกครองจิตอยู่ภายในนี่นะเมื่อจิตนี้หากว่ามีสติยั่งเข้าไปปกครองไปประคับครองอยู่ภายในแล้วมันไม่ค่อยดิ้นรนไปที่อื่นมันก็มักจะสงบอยู่ภายใน ไม่ค่อยจะถูกตัญหามันจูงไปตามประสงค์เพราะว่าสติมันเข้าไปก็เข้าประคองจิตให้สงบไม่ให้บินลน้นทะเยอทะายานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้นี่แหละการกระทำนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่า าการกระทำอุบายแยบคายในใจไม่ใช่เหมือนอย่างว่าไปทำนาทำสวนต้องออกกำลังกายต้องขุดหัวไม้ไงหัวตอต้องคลาดต้องไถอะไรจ่ออะไรกา ก, กำลำบากหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอย่างนั้นไม่ใช่นี้เราจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดี ก็มีสติสมัมปชัญญะระลึกถึงกายระลึกถึงใจนี่อยู่เสมออื่กายนี่นี่ยมันเป็นของเราหรือของเขาหรือหรือไม่ใช่ก็ต้องมันกลัวให้รู้ความจริงของร่างกายนี่อยู่เสมอไม่เช่นนั้นแล้วจิตนี่มันก็หลงอะ่ะมันจะไปหลงสําคัญเนาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนั่นแหละ หวงเห็นไม่อยากให้ใครด่าว่าตีเสี้ยนไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดก็ไม่อยากให้ตายง่ายห่วงไว้อยู่คันเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวั ง, งแล้วจิตนี่มันก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแล้วบ้านี้ตรอมใจนะเพราะว่าทีแรกไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ นี่ความสําคัญว่ามีตัวมีตนนะสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแลนะ้ว <c oughs> เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละดังนั้นเนะี่ยพระบรมศาสดาจึงให้เอาสติมาตั้งไว้สี่ฐานนี่นะ <c oughs> ตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่เวทนาตั้งไว้ที่จิตตั้งไว้ที่ธรรมารม อย่าเอาสติไปตั้งไว้ในที่อื่นเมื่อสติมาตั้งอยู่ที่กายเพ่งกายนี่มันก็เห็นแจ้งในร่างกายนี้่ามเป็นจริงได้คือเมื่อเพ่งดจงูจริงๆเรา ล, ลมันไม่มีเขาม็มีมเราอยู่ในนี่เราก็กำหนดรู้ตามสาภาพความจริงแล้วส่วนเวทนานั้นก็ต้องกรวดกา หมายความว่าถ้าไม่กลัวการแล้วมันจะหลงมันจะวันไหวเมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะต้องเสีย อ, อกชกใจไปโทมนัดขับแค น, นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะเพลินจะเมาจะไม่สามารถจะทําจิตให้เป็นกลางได้เพราะมันหลงเวทนาเนี่ยมันหลงสําคัญเราเป็นตัวเป็นตนนะ่ะ ดังนั้นจึงต้องเอาสติเข้าไปเตือนจิตนี้ให้กำหนดรู้ว่าเวทนานี่ไม่ไม่มีตัวมีตนเราเขาอะไรเลยถ้กแต่ว่าสมมุติกันว่าเอาเฉยๆความจริงมมีแต่สังขาร น, นั่นแหละมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็แปรพวนแตกดับไปเวทนานี่มันเกิดจากผัสสะความสัมผัส ระหว่างกายกับจิตนี่นะถูกต้องกันเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติมันก็สัมผัสกับจิตนี่อย่างรุนแรงก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติป่วนปั่นวันไว้ไปมาอันนี้แต่ทันเดียวว่าทุกขเวทนาเมื่อร่างกายนี้ยังปกติอยู่ยังไม่แปรปรวนเต็มที่ สัมผัสกายกับจิตนี้มันก็อ่อนละมุนละไมไม่ค่อยหลดพ้นมีความรู้สึกเป็นปกติไปอันนี้ท่านเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาทั้งหมดนี่ทั้งอุเบกขาเวทนามุนีก่ก็เราก็เอาสติเข้าไปกำหนด กรัวตราดูให้มันรู้ลักษณะอาการของเวทนาเหล่านี้ตามเป็นจริงเพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยมันทุกโทมนนัรวันไหวไปมายังไงมันก็วันไหวกับเวทนานี่แหละความจริงนะแต่คนเราไม่ค่อยได้คิดหรอกไม่ได้ไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาคิดดู พันว่าทุกก็ทุกไปอย่างนั้นแหละก็ร้องไห้คร่ำครวญไปต่างๆนานาอยู่อย่างนั้นไอ้ซึ่งจะเอามาสติน้อมสติสัมปชัญญะเข้าไปเข้ามาภายในนี่มาเพ่งดูความจริงของทุกขเวทนาต่างๆหมดนี้ไม่ไม่ทำเมื่อไม่ทำมันก็ไม่รู้อ่ะนเนี่ย ผู้ใดทำพวกนั้นก็รู้ชัดตามเป็นจริงนะเข่งดูได้แท้แล้วไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอะไรอยู่ในนี้เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้มันก็ไม่ถือมัน่นมันจะเกิดทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวท น, นาอะไรขึ้นมาจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตาม แม้ดวงจิตเองก็เอาสติเข้าไปควบคุมเอาไปเตือนตนจิตนี่มันก็สักแต่ว่าธรรมชาติรู้เท่า น, นั้นเองเราจะไปค้นหาตัวตนไม่มีอยู่ในจิตนั้นแะมีอยู่ไหนแต่ลองคิดดูสิที่มันเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนยังภูเขาเรากอในมีเหลือจิตอะ ไม่มีนั่นไงเหมือนก็เป็นนามธรรมาอันหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกล่เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลได้ไม่เพ่งพิจารณาแล้วมันก็หลงว่าจิตจิตเราเลยวบบนี้นะจิตของเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ จิตของเราอยากโกรธคนน้นอยากเกลียดคนนี้อยากรักคนนั้นออยากได้คนนี้มาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกอะไรโมนี้ก็ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อเมื่อไม่มีสติคุ้มครองนะมันก็ไหลไปตามกระแสของตัณหานั่นแหละ เพราะมันเคยไหลมาแล้วนับชาติไม่ท่วนแล้วนี้เรื่องมันนะทางเส้นนี้นะจิตนี่มันเดินมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันก็ไม่เห็นพ้นทุก์ไปได้นั่นเงียบหาอุบายเงียบคลายเพ่งพี่นี้ดูสิ<ม>เหตุที่มันจะได้มาเกิดอีกอยู่นี่กระเพราะมันอยากนั่นเนี่ย เมื่อมันอยากแล้วมันก็ยึดถือความอยากอันนั้นไว้มันก็เป็นตัวกรรมเป็นชนะกากรรมนําให้มาเกิดอีกนี่มันเป็นอย่างไนแต่เกิดมาชาตินี้แล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระ อ, องค์เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาก็ไม่ทํา เมื่อไม่ทําก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ปล่อยวางคําว่าเขาเขาเราเราไม่ได้ก็ติดอยู่ในแค่สมมุตินั่นแหละติดอยู่ในบรญญัตินั่นแหละแล้ว ก, ก็เมื่อติดอยู่ในสมมุติมันก็เท่ากับว่าติดอยู่ในทุกข์นั่นแหละก็พระศาสดาทรงตรัสว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแม้ธรรมารม์ที่เกิดกับจิตใจก็เหมือนกันนะ มันก็ไม่มีรูปมีร่างไม่มีตัวตนอะไรไม่น่าหลงเลยแต่คนเราก็ไปหลงความคิดตัวเองนั่นแหละอ่าถ้าตนคิดดีขึ้นมากับปลื้มอกปลื้มใจถ้าไปคิดถึงเรื่องชั่วร้ายก็ขับแค้นใจโกรธขุนเคืองทุกโศกในภายในใจิตใจเมื่อคิดถึงเรื่อง ผิดหวังต่างๆมาก็เป็นทุกข์เป็นโศกอยู่ในจิตใจนั้นอันที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะมันหลงธรรมารมหลงความคิดตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรถ้าใครไม่หลงความคิดตัวเองแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกอะไรเพราะว่าเรื่องต่างๆที่จิต เอามาคิดมาปรุงแต่งอยู่นั่นส่วนมากเป็นเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตนั่นก็มีอยู่หรอกแต่ว่าน้อยกว่าเรื่องในอดีตแในนั้นไปไปยึดเอาเรื่องในอดีตมาปรุงมาแต่งวิตกุยจารนอยู่เมื่อไหร่หมายคำ ว, ว่าธรรมารมณ์นั่นเองเนี่ยหมายคำ ว, ว่าธรรมที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนั่นนะ ที่เป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็มีอย่างนี้แหละบางทีก็ไปนึกเอาเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมาวิตกวิจา์อยู่เหมือนกันเดียวนั้นเรื่องที่เป็นบาปแลน้นันนะมันไปนึกเอาเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อวิโตวิยจา์อยู่ในใจวิโกเข้าไปเท่าไหร บาปนั้นมันก็ยังมีกำลังกล้าขึ้นเท่านั้นสุดท้ายมันก็บรรดานให้คนเราทําชั่วได้ทําบาปได้เมื่อมันคิดไปในเรื่องบาปหนักๆเข้านะนั่นละสาเหตุที่คนเราจะได้ทําบาปก็เพราะว่าจิตนั้นมันคิดไม่หยุดไม่ยัง้งมันไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในเพ่งพิจารดูว่า ความคิดจะนีนี่ยนะมันเป็นบุญหรือเป็นบาปควรคิดหรือไม่ควรคิดถ้าคิดไปแล้วมันนำสุขมาให้หรือมันนำทุกข์มาให้มันไม่ได้คิดนะคนเราไม่ได้ทวนกระแสะจิตเข้ามาคิดเรื่องมานะ่ะนี่จะส่งจิตไปข้างหน้านุ่นหน้าเดียวเลยจะไม่ให้ได้ประสบความทุกข์ความโศกอย่างไรแล้วคนเราอ่ะ อันนี้แหละคำว่าลงมือทํานะเพิ่งพากันเข้าใจจิตมันคล้องอยู่ในสิ่งใดหาอุบายมาสอนมันให้มันปลดมันปล่อยมันวางลงนี่เรียกว่าการกระทําอุบายแงบคลายในใจนีวว่เราบัดเราทํางานทางใจนะทางกายนิ่งนิ่งอยู่สะก่อนทางวาจาก็นิ่งนี่แหละตอนนี้เหลือแต่ทางใจทํางานทางใจ ตัวเองก็มาสอนตัวเองเข้าไปอยู่อย่างนั้นแหละสอนตัวเองไปจนมันละความยึดความถือได้หมดนุนถ้าตนเองยังละความยึดมั่นถือมันยังหลงไหลยึดมั่นถือมัน่นเรื่องราวของโลกอันนี้อยู่ตราบใดแล้วเราก็เราจะไปยุติอุบายแยบคายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เลยถ้าไปหยุดลงไป ใจนี่มันก็หลงยึดหลงถือมากมากขึ้นไปโดยลําดับความยึดถือมีมากเลยความทุกข์ใจก็มีมากเท่านั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราถ้ารู้ตัวแล้วตื่นตัวได้แล้วก็มันก็ดีนี่อืมมันก็จะมีได้ออมเอาทุกข์เอาโรคเอาโศกภัยพิบัติอันตรายต่างๆไว้ในจิตใจ สิ่งใดที่มันไม่ดีงามมันจะคลายทิ้งไปทิ้งไปได้เลยเนี่ยเพราะว่าทวนกระแสะเข้ามาภายในนี่เข้ามาให้มาเห็นสินอยู่ในใจนี่ให้มาเห็นสมาธิอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นปัญญาอยู่ในใจนี้อย่างนี้อย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นสินสมาธิปัญญานะ่ะ ให้มาเห็นลงว่าสินอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นให้มันเห็นลงไปในปัจจุบันอย่างนี้มันก็จึงมีกำลังได้นะสินสมาธิปัญญานี่นะถ้าหาว่าเห็นปันญกะจกระจายกันอยู่ข้างนอกน่นนี่นีไม่ได้มันจะไม่มีกำลังเลยแต่ อ, อย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรหมายเาว่าอย่างนั้นแหละเมื่อไม่ได้อะไรก็เป็นคนเป่าๆท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าบุรุษเป่า ไม่มีกุศลคุณงามความดีอะไรอยู่ในจิตใจเลยจิตใจที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะตายไปแล้วทันว่าเป็นพวกสัมภเวสีหาที่เกิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้ไปเกิดจะไปนรกก็ไปไม่ได้เขาไม่ได้ทำชั่วอะไร จะไปสวรรก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทดําดีอยู่เฉยๆนี่มีตะกรอนแล้วกับ น, นินอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างนั้นแ่ละทาการทำ ง, งานกับทําพราได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไปวันวันเท่านั้นแหละแล้วถึงเจ็ดขวัขวายทําบุญทําทานอย่างนี้ก็ไหม่แล้ว เขาไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อบ่าผลทานจากอำนวยความสุขให้คนเช่นนั้นะเป็นคนหลงคนเมาเต็มที่เลยเมื่อเป็นเช่นนี้จิตวิญญาณนี่มันก็เป็นพวกสัมภเวสีละเล่รล่อนไปมาอยู่นั้นหาที่เกิดไม่ได้เลย เมื่อหาที่เกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีอะไรนะทีนี่นั่นไงเมื่อไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะมันจะเอาอะไรมาสร้างบุญบา ร, รมีล่ะดวงจิตนี่มันมันจะมีบา ร, รมีแก่กล้าดได้ก็เพราะได้มาอาศัยร่างกายอันนี้เ <c oughs> มื่อได้อาศัยร่างกายอเ น, นี้ยก็จึงทำ คุณงามความดีต่างๆได้ดังที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี่แหละกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมบูชงกฏก็ทําได้พวกสัตว์ในไร่ฉานเนี่ยมันกราบไหว้ได้ที่ไหนล่ะนั่นไงก่าบคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ก็กล่าวได้ อย่างไผ่เลาะพ่อพิงที่เราทำวัดสวดบนกันอยู่นี่เนี่ยอันนี้เป็นคำกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนกรกลว่าเป็นของบริสุทธิ์พุตผองจริงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆนี่ไอคำที่เราสวดกันไปนั่นนะ เมื่อเราก่าวยกย่องสนรเสริญพระคุณทั้งสามนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเลว่าจากที่กล่าวนั้นนะก็ไปยกย่องสรรเสริญท่านผู้วิเศษเราไม่ไปยกย่องคนพานคนชั่วหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยเรายกย่องคนดีดีก็ดีจริงนะไม่ใช่ดีธรรมดาเรื่องนั้นแหละ พระศาสดาจิงนี้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำอะไรเสียเลยก็ไม่ได้อะไรก็เป็นสัมภเวสีและตายไปหาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญบาปอะไรพาไปเกิดเลยเ <c oughs> มื่อใจมันคล่องอยู่สิ่งในมันก็ไปวกเวียนอยู่ในสิ่งนั้น หวงอยู่ต่ในสิ่งที่มันเกอะมันคล้องนั่นแหละเราคิดลองวิจารณดูให้ดีเห็นตามไหมที่ชี้แจงแสดงมานี่ไอเรื่องราวของชีวิตนะถ้าผู้ใดเห็นตามแล้วก็เอาแหละอย่าไปเกียจค้านอย่าไปติดแต่ความสุขเล็กน้อยน้อยอันนั้นสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการ พูดกันคุยกันเล่นคนทั้งหลายนะมันชอบผิดความสุขเล็กน้อยอันนี้แหละมันซึงไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นั่นแหละมันจะไปเป็นสัมภเวสีเตือนตนเข้าไปในพุทธศาสนานี้ลงวิจารณ์ดู พราะพระเเจ้าไม่ได้ส่งเสริมรัติออนวอนบวงสวงนั้นนั่นเลยเพราะการบวงสวงอ้อนวอนนั้นมันง่ายดีนี่ไม่ต้องทรมานอะไรตนให้ลำบากก็ได้เพียงแต่ผูกโลงพิธีขึ้นแล้วก็อ้าวแต่งตั้งเครื่องสักการะบูชาเอาไปพวกนับถือพระพรมก็เอารลวพระพมมาตั้งแล้วก็เส้นสวงอ้อนวอน ขอให้พระพรมนั่นมาช่วยอำนวยความสูขความเจริญให้แกต่ตนตัดตัดชีวิตไปเส้นสวงบูชาเข้าไปนี่เขาทำกันมาตั้งแต่อดีตการนู่นเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์เห็นว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกเพราะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ก็จึงพยายามแนะนำสั่งสอนผู้กระทาเดินทางผิดเช่นนั้นให้ละทางอันผิดผิดนั้นเสียคนเหล่านั้นเป็นคนมีบุญมีวาสนาเมื่อได้ฟังคำตักเตือนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้ก็ละทิ้งลทัทธิบวงสรวงบูชาเหล่านั้นเสีย มาลงมือปฏิบัติกายวาจาใจของตนเองนี่ให้บริสุทธิ์พุทธพองจากกิเลสบาปธรรมอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้ถ้ายังพ้นทุกข์ถึงมรรนไม่ได้โดยเด็ดขาดก็จะพ้นทุกข์อบาบัยภูมิทั้งสี่ตายแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุ ร, รกาย ไม่เกิดในกำหนดสัตว์เดชานนี่แลอย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรงตัดสรุแจ้งแทงตลอดนะพระองค์รู้แจ้งในชีวิตความเป็นมาและความเป็นไปและความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายนะสรุปลเลยว่าเป็นอยู่ด้วยการกระทืม การกระทำกรรมดีกรรมชั่วในอดีตนูน้นมันติดตามมาส่งผลให้ในปัจจุบันนี้การกระทำกรรมดีกรรมชั่วในปัจจุบันนี้มันจะตามส่งผลให้ไปในอนาคตเบื้องหน้านูน่นเนี่ยเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วนีมน้มันถ่ายทอดกันไปอยู่อย่างนั้นนะก็ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะ เพราะเกินชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ในร่างกายอันนี้ไม่ได้กตตรงละร่างอันนี้ออกไปนั่นแหละแล้วบุญบาปที่บุกคนทำในปัจจุบันนี้มันก็คอยลองรับเอาดวงจิตเนี่ย เจริญภาวนาหมนี้ล้วนแต่เป็นแนวทางให้เกิดบุญเกิดกุศลเป็นหน้นทางให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นได้จริงจรเราก็มาดําเนินตามทางนี้แหละวันนี้นะนะเพราะว่ามันเป็นทางก่อให้เกิดบุญกุศลเมื่อบุญกุศลบางเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็น เ, เท่ากับว่า คนคนหนึ่งได้รวบรวมเงินทองเข้าของได้มาแล้วก็ไปซื้อยานพาหนะเช่นรถคันงามงามมาว้เป็นสมบัติของตนอย่างนี้นะตนจะไปไหนก็ น, นั่งรถมันไปสบายอ่าไม่ลำบากไม่ต้องเดินย่ำตอกกาพ้นทนแดดไปเสียเวลากว่าเสียอย่างนี้แหละที่ฉันใด คนผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจของตอนให้มากๆแล้วนะคิดอะไรก็คล่องแคล่วดีในปัจจุบันนี้นะเพราะว่าคนมีบุญก็ชื่อว่ามีปัญญานั่นแหละคิดอะไรอ่านอะไรก็ออกได้ดีโดยเฉพาะคิดเห็นว่าทำอย่างนี้มันชั่วกรรมชั่วอะ่รนี้มันจะนำตัวให้ไปสู่ทุกข์มันรู้ชัดแล้วมันก็เว้นได้ ธรรมดาคนมีบุญนะนั่นแหละคนไม่ได้สั่งสมบุอไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีในตนเนี้ยนี่มันก็มีถาวิชาโมหะเข้าไปครอบงมจิตใจใจในะมันก็คิดไปในทางบาปทางอากุศลแล้วแบบนี้นะของอวิชชาทันหานี่มันมันเป็นสายบาปนะอ่าเดืองมันนะหรือความโลภความโกรธความหลงเนี่ย มันเป็นมูลเหตุให้บุคคลกระทำบาปเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลได้สะสมกิเลสมีให้หนาแน่นขึ้นในใจเนี่ยมันก็มันก็น้อมตนไปในทางบาปนั่นแหละกลงกันข้ามน ะ, ะผู้ใดบำเพ็ญทานรักษาสินภาวนาเข้าไปอ่ามันก็น้อมไปทางบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลก็เกิดขึ้นอะนั่นแหละ คิดก็เปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณานี่เมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วอันเมตตากรุณานี้มันก็มาพร้อมกันนะ น, นั่นแหลเป็นเหตุให้เอ็นดูสงสารเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากประสงสารคิดอยากจะช่วยให้พ้นทุกข์แทนที่จ ะ, ะดูหมิน่นเหยียดย้ำไม่ไม่ไมแล้วคนใจบุญนะมีแต่เมตตาสงสารกัน คิดช่วยเหลือกันเท mm hmm. ่าที่จะช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้ล้วก็วางอเบกคขาลงไปก็ถือว่ากรรมของผู้นั้นมันตามมาสนองเอากรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาใครๆครก็ช่วยไม่ได้ถ้ากรรมเวรตามมาสนองแ ล, แล้วก็ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกก็วางอเบกคขาลง mm hmm. นี่แหละทำคนบุญนะ ย่อมนำชีวิตไปโดยลาบรื่นไม่ตกสูงตกต่ำอะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่จึงควรทำโดยแท้ไม่ควรเกียรคล้านนี้อย่างว่าทำทานอย่างนี้มันก็ต้องมีวัตถุสิ่งของแหละถ้าใครเกียรคล้านทำนาทำสวนทำการค้าขาย ทำงานอะไรต่ออะไรหมดแล้วมันก็ไม่ได้เงินมาเมื่อไม่ได้เงินเหมืนก็จะไปเอาวัตถุทายทานที่ไหนมาให้ทานได้คนไม่มีเงินแม้แต่จะหาอาหารการบริโภคมารอเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ก็หาไม่ได้เพราะไม่มีเงินเราเกียดคลาน เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นโมฆะบุรุษยอย่างที่ว่ามานั่นนะเป็นคนเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องการงานนี่นะเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นคนแล้วนะแม้ในทางโลกเขาก็ส่งเสริมไม่ทำการงานแม้ในทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็ส่งเสริมไม่ทำการงานลองอ่านดูสิใน ที่ปฏิบัตินะ่ะประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้านะพระองค์สอนนะประโยชน์ในปัจจุบันนี่มันต้องมันต้องขยันทำกันทำงานเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นก็มันขยันศึกษาเรียนสะสมอวิชชาความรู้ในการทามาหาเรื่องขี่ไว้ในจิตใจของตนให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรเขามาแล้วก็จะได้มาประกอบอาชีพแบบนี้นะตามความรู้ที่ตนเรียนมาเนี่ถ้าตนเรียนวิชาความรู้ทางพาณิชยา ก, การมามันก็มันก็มีรูทางที่จะทำการค้าการขายได้นั่นแหละถ้าตนเรียนวิชาความรู้ในเรื่อง การทำนาทำสวนมาก็จะมาปรับปรุงนาปรับปรุงสวนนี่ให้มีให้มันเจริญก้าวหน้าไปเนี่อว่าให้มันเพิ่มผลผลิตให้ได้มากมากขึ้นไปโอคนมีความรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทีนี้เมื่อมีเงินมีทองมานั่นอา้าวอยากทอดพาปา ก็ทอดได้อยากทอดกระถิ้นก็ทอดได้นั่นพอเงินมีนั่นเลยอยากสร้างพุทธิถวายไว้ในวัดวาสาัตนาสักครั้งหนึ่งก็สร้างได้อยากสร้างโบสถ์สักครั้งนึงก็สร้างได้ตามกําลังเงินเท่าที่มีนั่นอยากรักษาศีลก็รักษาได้เงินมีนั่นแหละ ก็ไม่ต้องไปเที่ยวดักสัตว์จับสัตว์มาฆ่าต้มแกงกินให้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเว้นคนมีเงินมันก็ต้องไปหาซื้อเอาอาหารบริสุทธิ์นั่นเอยมาเรียงอัตภาพของตัวเองนี่เพราะฉะนั้นยังว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในนี่นะถ้อยทีท้อยอาศัยกันเลยนะคิดดูให้ดี ถ้าไม่มีทรัพย์ภายนกก็มีทรัพย์ภายในไม่ได้อดูแต่คนยากคนจนไปยังไงอ่ะคนไม่มีบุญนะเกิดมาแล้วก็หาเช้ากินข้าอยู่งั้นแหละไม่หาก็อดอย่างนี้เราไมาจ่จะเอาอะไรมาทำบุญได้นั่นสาสินก็ไม่ได้จะให้ทานก็ไม่ได้จะเข้าวัดฟังธรรมจาสิ้นอะไรก็ไม่ได้เลยมัวแต่หากินอยู่งั้นเนะี่ย หาเช้าแล้วกินค่ำหาค่ำแล้วก็เผื่อไว้กินเมื่อเช้าอย่างนี้เราจะเอาเวลาไหนเราไปทำบุญกุศลนะจะไหวพระภาวนาก็ไม่ได้ธรรมดาคนเราเมื่อมันตรอมใจเพราะความยากจนขนแค้นแล้วมันไม่มีแก่ใจที่จะไปนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญกุศลอะไรได้เพราะเราไม่ได้ทาบุญอะไรเลย เจาอะไรมานึกถึงได้ล่ะอนนั้นเนี่ยเขาที่โลกนี่เขาบนกันอยู่อ่ะคนจนก็มีแต่จนลงไปเรื่อยๆคนรวยก็มีแต่รวยขึ้นไปเรื่อยๆอ้อมันก็เป็นความจริงสิก็เขามีบุญนี่บุญหนุนส่งเขาอ่ะเขาทำการงานอะไรก็มีแต่เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยเพราะบุญที่เขาทำมาแต่คนหลังน่นนี้มันมาสนับสนุนนะอ่ะอ คนไม่มีบุญที่ได้ทามาแต่หนหลังแล้วทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างน้อยก็เพียงแต่พอพออยู่พอกินไปเท่านั้นจะให้มันเหลือใช้เหลือสอยมันยานกเลยหรอกคนมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือสอยก็เพราะว่าอาศัยบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนโน้นนะมาอำนวยผลให้ นั่นลองคิดดูสิเมื่อมันมีทรัพย์ภายนอกแล้วมันก็สามารถทำทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นได้ทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลนั่นแหละหรือถ้าจะว่าตรงๆก็ได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมั่นในกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทำมานั่นนะเชื่อมั่นว่า ผลแห่งความดีนั่นจากอำนวยความสุขให้แก่ตนได้จริงๆอย่างนี้นะการที่บุคคลเราจะได้ศรัทธาความเชื่อบุญเชื่อบาปอย่างว่านิโถไม่ใช่ง่ายนักเหตุนั่นแหลได้ความเชื่อว่าทําบุญได้บุญบุญอำนวยผลให้เป็นสุขจริงทําบาปได้บาปบาปอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงผู้นั้นก็ละบาปได้เลยเนี่ย ผู้นั้นก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้เจริญง้องามขึ้นในตนได้ก็อาศัยความเชื่อ น, นี้เองเนี่ยเป็นมูลเหตุอ่ะแต่ว่าความเชื่ออย่างว่านี้มันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะอ่าอันแหละเมื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีเนาะก็เชื่อว่ารักษาศีล น, นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดมีขึ้นในตน อเมก็สมมาทานมั่นในสินและบุญนี่นะนการนี้บุคคลจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยบำเพ็ญหนีโดยอตัตประธรรมนัยนเองมีความละอายแก่ใจในอันที่จะกระทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้งมีความกลัวอยู่ในใจว่ากลัวแต่กรรมชั่วที่ตัวทำนั้น มันจกอำนวยผลให้เป็นทุกข์นี่แหละเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันก็รักษาสินให้บริสุทธิ์ได้เลยเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีความละอายแก่ใจในอันที่จะกระทำความชั่วก็ดีมีความกลัวที่กรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรว่าเนี่ยนี่มันก็เป็นทรัพย์อันประเสรฐที่ เป็นเหตุใจคนเราไม่ทําความชั่วได้เมื่อมีหิริโอตประธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แล้วครงกันข้ามที่ดีเมื่อมี ม, มีใครไม่มีฮิริโอตประธรรมนี่อยู่ในใจแล้วมันก็ทําบาปได้เพราะฉะนั้นยังว่าถึงว่ามันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั่นแหละฮิริโอตประธรรมนะให้พากันสร้างบําเพ็ญใ้เกิดถ้ามีขึ้นในใจอย่าไปล่เลยอ การศึกษาเร่เรียนหมนีนะท่านที่ท่านเนา ว, วาพาหูสัจจ ะ, ะพระศ า, าสดากรงตรัสวา่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐก็เป็นทรัพย์ที่เมื่อบุคคลมีวิชาความรู้ในทางโลกเหมือนกับประกอบอาชีพในทางโลกให้เจริญก้าวหน้าไปได้ผู้มาศึกษาเรา่อเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมในทางวินัยในพุทธศาสนานี้ ผูนท่านก็สามารถละชั่วทำความดีได้ตลอดถึงสามารถละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้หรือบางทีก็ละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะมีความรู้ในทางทำทางวิไนนี้เองนะจะมีได้ก็เพราะการศึกษาขยันมันเพียรดูตำหรับตำลาขยันมันเพียรท่องบนจดจา เอาวิชาความรู้อันใดที่สำคัญสาคัญนะท่องจำเอาไว้ให้ได้โมเนียเมื่อบุคคลจะเป็นผู้ประสบบุญกุศลได้เมื่อหาเงินทองก็ของได้มามากเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วก็ต้องจำแนกออกให้ทําบนทําทานสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบาก บูชาท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเมือ่อนเราสละจจตุปัจจานี้ออกบูชาอุทิศบูชาหรือว่าถวายแด่ท่านผู้ทรงคุณในธรรมอันสูงส่งดังกล่าวมานั่น ก็อย่างนี้แล้วมันก็ได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะการบริจาคทรัพย์ภายนอกนั้นแเลสยสาเหตุที่จะได้อริยทรัพย์อันประเสริฐอันเป็นทรัพย์ภายในคือบุญกุศลหรือไม่ใชนั้นก็การที่จะได้บุญกุศลอย่างสูงก็เพราะมาสละความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิ อิจฉาพยาบาทกิเลส ช, ชาติต่งตางๆหมดนี่นะสละมันออกไปเช่นสละมานะทิฏฐิไม่ถือเนือ้อถือตัวอันความดีอะไรที่ตนควรจะกระทําควรพูดแล้วไม่ต้องละอายใครไม่ต้องกลัวว่าใครจะดูหมิ่นนินทาเพราะการทําความดีไม่ค่อยมีคนนินทาหรอกคนนินทาจะคนทําความชั่วนั่นแหละนี่ บางคนก็ถือตัวจัดอย่างนี้การกราบการไหว้อย่างนี้ก็ไม่อยากไหว้แล้วไม่อยากไหว้คนอื่นหมายเขาว่านั่นเนี่ยกลัวเสียเปียบเขาสำคัญว่าตนนั้นสูงกว่าผู้อื่นล่ำไปคนมานะจัดมันเป็นอย่างนั้นแม้แต่พ่อแม่ของเองของตัวเองก็ไม่ยอมไหว้คนมานะจัดมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปว่าแต่คนอื่นเลย ครบาอาจารย์ที่สอนความรู้ให้แก่ตนอย่างนี้ก็ไม่ยอมไว้บางคน น, ะนั่นแหละมันไม่ยอมเสียสละมานะทิฐิมันก็ทําความดีไม่ได้เลยเหตุนั้นท่านยังว่าจากะเมื่อผู้ใดมีจากะทำนี่อยู่ในใจแนละ้วผู้นั้นนะสามารถทําคุณงามความดีได้ตั้งแต่อย่างต่ําน้่นนะจนถึงอย่างสูงสุดทีเดียวอ่ะ สุดท้ายก็คือปัญญานี่ปัญญาความรู้ความฉลาดอันเป็นสัพายาย น, นี้นะหมายถึงปัญญาที่รู้จักบาปบุญพุนโทษประโยชน์และไม่ใช่ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็อาศัยปัญญานี่เองนะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็จึงรู้ อริยสัจจะทําได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันลองคิดดูนี่แหละซับภายในนะให้พึ่งพากันศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจําเอาให้ได้เมื่อได้แล้วพยายามสร้างอริยทรัพย์นี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้เช่นสร้างศรัทธาความเชื่อนี่นะให้ เกิดขึ้นในใจของตนให้มันหนักแน่นจริงๆจนเป็นอ า, อาจรารย์ศรัทธานอะนะเรียกว่าความเชื่ออย่างมั่นคงแต่ก็อย่างว่านะ่ต้องประกอบไปได้วยปัญญาอย่าไปลืมข้อนี้นะเชื่อมั่นว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นี่นะเป็นที่พึ่งกมจัดทุกข์ภัยได้จริงๆอย่างนี้นะ เมื่อผูใ้ใดเชื่อมั่นในใจจริงๆแล้วว่านี่ผู้นั้นก็ไม่ประมาทนะกราบไหวอ้อ่ อ, อนน้อมทอมตนลงต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนะเรายินดีกราบไหว้โดยความเลื่อมใสโดยความนับถือจริงๆถ้าเป็นครึงหัดแล้วก็ว่า ก็ถือเอาพระสงค์นั่นเป็นเนื้อนาบุญของตนเลยบะเนี่เมื่อตนคิดอยากจะทําบุญขึ้นมาเวลาใดตนก็นึกถึงพระสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วศรัทธาความเลื่อมใสมันก็เกิดขึ้นก็เป็นเหตุได้ทําบุญทําทานเป็นเหตุได้ฟังธรรมให้ได้รักษาศีลหา้าศีลอุโบสถถ้าเป็นพระเป็นเจ้า บวชเข้ามาใหม่อย่างนี้นะก็ต้องทําความเลื่อมใสเคารพนอบน้อมต่อคุณพระัตนไกลนี่อย่างแรงกล้ามเมื่อเคารพอย่างแรงกล้าแนละ้วก็เป็นเหตุท้า ไ, ได้ลงมือปฏิบัติตามศีล ส, สมาธิปัญญาโดยเคร่งคัดโดยความไม่ประมาทเลย<ม>เป็นอย่างนี้ไอเรื่องทรัพย์ภายในเนี่ยศรัทธาธนังนะศรัทธาตัวเดียวนี่แหละ เมือ่อบุคคลใดสั่งสมให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วรักษาศีลก็ได้แบบ น, นี้นะนั่นตั้งความละอายตั้งความกลัวไว้ในใจก็ได้แบบ น, นี้นะเพราะเชื่อว่าเมื่อตนมีความละอายมีความกลัวต่อบาปต่อโทษอยู่อย่างว่านี้ตนก็ไม่ได้ทำบาปนี่นั่นแหละจะเชื่อมั่นในใจว่าตนศึกษาแล้วเรียน ถ้าทมวินัยคำสอนของพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์แน่ไม่เสียประโยชน์เลยะจะมีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตของตนอย่างมากมายทีเดียวเพราะเมื่อตนมีความรู้ในธรรมวินัยด้วยดีแล้วก็เท่ากับว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นั่นเองเลยไม่ใช่อื่นใกลอะไรอ่ ะ, อะ คนไม่รู้ทำไม่รู้วินัยคาสอนของพระเทเจ้ากระหมายความว่าหมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์จะมีใช่ประโยชน์เลยทีเดียวเมื่อไม่เมื่อมันไม่รู้จักบาปมันก็ละบาปไม่ได้ไม่รู้จักบุญก็ทําบุญไม่ได้ไม่รู้จักคุณก็เขารบต่อคุณไม่ได้ ไม่รู้จักโทษก็ละโทษอันนั้นไม่ได้นั่นเนี่ยก็ไม่สำรวมระวังในโทษทั้งหลายคนไม่รู้นี่ว่าทําอย่างนี้มันเป็นโทษอย่างนี้นะพูดอย่างนี้เป็นโทษอย่างนี้นะมันก็ไปทําไปพูดเลื้อยไปเลยคนไม่รู้นี่นเช่นประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ไม่ทํเลยมัวตะเกียบขานนั่นแหละ แล้วประโยชน์ในภายภางหน้าก็ไม่รู้อย่างนี้นะที่ท่านกล่าวไว้ว่าทานศีลจาระปัญญาอย่างนี้นะหรือว่าศรัทธาศีลจาระปัญญาคุณธรรมสีอย่างนี้ท่านเรียกว่าเมื่อมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นละชั่วทําดีได้เหตุนั้นนะท่านจึงเรียกว่าอประโยชน์ในภายหน้านั่นแหละ เมื่อผู้นั้นละโลกอันนี้ไปแล้วก็จะเป็นผู้บันเทิงในโลกหน้าต่อไปจะมีความสุขความเจริญในโลกหน้าเพราะว่าผู้นั้นมาเพียรละชั่วทำดีในปัจจุบันนี้นี่จะไม่ให้มีความสุขความลื่นเรืองบันเทิงไปในโลกหน้าอย่างไรแล้วนั่นแหละประโยชน์ในภายหน้าควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อบุคคลบำเพ็ญประโยชน์ในปนัจจุบันดังที่อธิบายมาโดยลำดับนั่นเ สะสมเงินทองเข้าของได้แล้วอย่างนี้นะเกียตรติยศชื่อเสียงอะไรมันก็มาพร้อมกันแหละแล้ววันนี้การทําบุญกุศลก็สามารถทําบุญกุศลได้เต็มที่ถ้าเป็นเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเมื่อตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝามีฐานะดีแล้วอย่างนี้เนะข้าวัดจําศิลปภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ได้ไปช่วยกิจช่วยธุระกิจวัดการวาต่างๆก็ได้ เพราะว่าไม่ไม่เดือดร้อนในภายหลังนี่ครอบครัวไม่เดือดร้อนในครอบครัวน ะ, ะสะสมเงินทองเข้าของไว้แล้วจะเดือดร้อนอะไรอ่ะนั่นเนี่ย <c oughs> นีแะ เ, เรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันนะกับประโยชน์ในภายภาคหน้านี่มันเกี่ยวพันกันไปต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันนะ ประโยชน์ในปัจจุบันกัสนับสนุนประโยชน์ในภายภาคหน้าอย่างที่ว่ามานั่นเลยอ่ก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างนางวิสาขาอนณธรรมินีกรามหาเศรษฐีในสมัยครั้งพุทธเจ้านั่นนะ่ะนั่นแหละท่านสะสมทรัพย์ภายในมาหลายชาติหลายพบที่ร่วงแล้วมานะ ได้ให้ทานได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาได้กราบได้ไหว้ได้เคารพรมน้อมต่อสิ่งที่มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นที่สุดบุญกุศลนมังคตกแต่งให้เพื่อนมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศธนเสนในความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนาน มาในวัฏสงสา ร, รอันนี้นะเมื่อมาในพุทธศาสนานี่ทั้งกมดได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีนั่นเลยมีเงินทองเข้าของมากมายเมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยว่าได้เห็นแจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่โดยเอกเทศ ได้เป็นผู้มีอจราศรัทธามีความเลื่อมใสมั่นในคุณพระรัตนไกรว่าเป็นด้ยวยพึ่งอันประเสริฐตลอดชีวิตเลยจะไม่หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นใดทั้งนั้นเลยเนี่ยเอเดนท่านจึงได้มีโอกาสทนุบำรุงวัดว า, าศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นจนว่ามีชื่อติดมาในคำพีในพุทธศาสน า, าจนถึงทุกวันนี้แหละ นักเพศนาทั้งหลายก็ยกเอาไปกล่าวสรรเสริญให้คนทั้งหลายฟังน ะ, ะเพื่อให้เป็นกำลังใจว่าท่านผู้ทาดีนะท่านมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้อย่างนี้ทางโลกิยาทรัพย์ท่านก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ประกอบไปด้วยโลกุตระทรัพย์อีกซ้าเนี่ยท่านอย่างนี้เราเลยจะไปลังเลสงสัยทาไมเล่า การละชั่วทำดีน ะ, ะการแสวงหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในเป็นหน้าที่ของเราผู้เกิดมาในโลกนี้น ะ, ะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทำทีนี้ผู้ที่มีอินทรียบารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วก็สละการงาน ในโลกนั่นเสียเรียกว่าสละทัภายนอกนั้นอ่าแล้วมาบำเพ็ญตนประพฤติพรหมจรรย์ทําตนเป็นคนผู้เดียวมาแสวงหาทรัพยภายในอย่างเดียวกว่านี้น ะ, ะนะั่นไงมาแสวงหาทรัพยภายในคือบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างทั้งที่เป็นส่วนโลกีและเป็นส่วนโลกุตระ เมื่อระวัมเพนคุณธรรมมันเป็นส่วนโลกีเอมันเต็มบริบูรณ์แล้วบันนี้มันก็พยายามก้าวไปสู่โลกุตรธรรมและะ้ววันนี้ชีวิตนะเมื่อเชื่อมั่นว่าทำดีได้เรียนช่วยได้ช่วดังกล่าวมานี่นะการกระทำความดีไม่ใช่มันหยุดอยู่ที่เดียวอนะเมื่อทำความดีมากเข้าไปทาเลความดีคือบุญกุศลเนนะี่ยมันกระโดบันดาลให้เรา ทำความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละอา้าวเมื่อรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วก็อยากเจริญสมาธิภาวนานี่นั่นแหละก็ะศึกษาเรื่องการเจริญสมาธวิปัสสนาไปเมื่อเจริญสมาธิให้ชมนีชนานาญใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้ววันนี้ก็เอาอยากจะเจริญปัญญาก็ศึกษา เรื่องปัญญาไปเมื่อศึกษารู่ในแนวทางแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแบบ น, นี้น ะ, นะเมื่อเมื่อปัญญามีแล้วปัญญามันก็มาสอนจิตแบบ น, นีน้ปัญญามาสอนจิตให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแม้ผู้ที่ไม่ได้บวช เป็นพระเป็นเจ้าก็บวชนุ่งขาวห่มขาวทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็มาแสวงหาอริยทรัพย์ภายในนี้ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนของตนอย่างนี้นะทุกคนทำได้นะการที่เราสั่งสมบุญกุศล ให้มากๆขึ้นมานั้นก็เพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานั้นอาจจะมาสอนจิตใจละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ได้ตัณหามันก็ดับไปเท่านั้นแหละอมันจะมีอะไรแล้วเมื่อคนเราไม่ถือว่าขันห้าเป็นเราแล้วนะ ในจะไปเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเอาวิมานอะไรเล่ามันก็ลากความอยากได้โดยประการทั้งปวงเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าคนส่วนมากมันละอุปทานในขันห้านี้ไม่ได้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นมันยึงล่าตัญหาให้หมดไปไม่ได้นั่นแหละดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจ พาเพียนพยายามไปตามแนวทางข้อปฏิบัติดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แหละจนกว่าบุญบารมีมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะพ้นทุกข์ได้ดังแสดงมา